แต่ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านดังกล่าวมานั่นเนียผู้ที่รู้ตัวว่าตนจะต้องได้เป็นหัวหน้าคนต่อไปเช่นนี้นะควรบำเพ็ญประพฤติคุณธรรมที่พระศาสดา ตรงแนะนาสั่งสอนไว้นั้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่าปล่อยให้จิตใจมันว่างจากคุณธรรมเพราะว่าผู้มีหน้าที่การงานอย่างไรถ้าหากว่าไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมนั้นๆั้นแล้วการทำหน้าที่การงานนั้นๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย เรียกว่าจะไม่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มากพูดอย่างจแจ่มแจ้งเช่นอย่างเป็นหัวหน้าคนอย่างนี้นะถา้าขาดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกฐานี่แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เลย ถ้าขาดเมตตาธรรมอย่างนี้ก็เกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วอืคําว่าเมตตาในหมายถึงว่ามันทั้งเมตตาทั้งตนและทั้งผู้อื่นอจึงถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเมตตานี่คนเราอื่นหรือว่ารัตถิอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกัน แต่ว่าเขาแผ่เมตตาไปจำเพาะแต่พักพวกของเขาถ้านอกจากพักพวกของเขาแล้วเขาไม่แผ่ออกไปส่วนเมตตาในพุทธศาสนานี่พระศาสดาทรงสอนให้แผ่น้ําใจนี่แหละปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรู ที่เป็นศัตรูมาเขาว่าเรายกโทษให้เราไม่ถือสาหาความไม่เอาผิดเขาอย่างนี้นะเรียกว่าเราปาถนายเขาเป็นสุขเขาจะเป็นศัตรูแก่ตนก็ตามตนก็ให้อาภัยไปถ้าไม่ยอมให้อาภาัยแก่ศัตรูแล้วมันก็เป็นเวรกัน มันก็ได้ผูกพันจองร้างจองผานกันไปในภพในชาตินีพภะษาสดาทรงรู้แจ้งอย่างนี้เลยก็จึงได้แนะนำให้พุทธริษัททั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นำหมู่คณะอย่างนี้ก็ต้องมีเมตตาธรรมนี่อย่างสูงทีเดียว ผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะทั้งฝ่ายเป็นนักบวชก็ดีหรือเป็นคารืหัดผู้ครองเรือนก็ดีคุณธรรมคือเมตตาพระมวิหารนี่ต้องมีทุกเพศทุกวัยหมายความว่าจะเป็นเพศฆรวาสก็ตามเป็นเพศนักบวชก็ตามต้องมี ถ้าเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีกรุณาด้วยเมตตาหมายความว่าเราก็ปรารถนาในใจตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขทุกทวนหน้าอย่าได้มีเวรตอกันและกันเลยนี่เราตั้งความมุ่งหมายไว้ในใจอย่างนี้บันี้กรุณา เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายไป็สุขทั่วหน้ากันอย่างนั้นแล้วเราไปเจอคนที่ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นต้นว่าเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าถูกทำร้ายถึงทุกคนรับภาพอะไรพวกนี้นะ หรือว่าถูกไวไม้โจปรปล้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าคนครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือคนพวหนึ่งมันถูกภัยพิบัติมาถึงเข้าก็จะเป็นด้วยเหตุกรรมกรรมชั่วในอดีตตามมาสนองก็ดีหรือด้วยเหตุที่ตนประพฤติไม่ดีในปัจจุบันนี้ เป็นเหตุให้คนอื่นเขารังเกียจเขาอาฆาตมาร้ายก็ดีโมนีนะ่เรียกว่าคนที่มีภัยมาถึงเข้าความมีบัติมาถึงเข้าผู้ใดไปเห็นเข้าอย่างนั้นแล้วก็งสงสารเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นในใจหาทางช่วยเหลือไม่เมินเฉย เทาที่จะพึ่งช่วยได้อย่างนั้นคนที่ขาดความกรุณาสงสารนั้นเมื่อไปพบกับใครถึงความวิบัติเขา้าพอคิดที่จะช่วยเหลือได้อยู่ก็เมินเฉยเสียหาทางหลีกเลี่ยงไม่ช่วยเหลือไม่เหลิวแลกันนี่เรียกว่าขาดกรุณาธรรม บางคนเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดบได้ดีเขามีเกียรติมียศชื่อเสียงมีคนนิยมนับถือมากเช่นนี้ก็อิจฉาแทนที่จะแสดงมุทิตาจิตแสดงพรอยแสดงพอยยินดีด้วยกับผู้ที่เขามีลาบมียศนั้นไม่ทำเอ้ เกิดอิจฉาน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนนั้นทำไมยังไม่เหมือนเขาคิดจะลบร้างลาบยศสรรเสริญเขาให้เสื่อมลงหาอุบายกีดกันไหมเขามีลาบนียศต่อไปนี่ถ้าขาดผู้ที่ตาจิตแล้ว ก็จะกลายเป็นผู้มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นในเมื่อเห็นเขาได้ดิบได้ดีทนอยู่ไม่ได้หาทางกีดกันลบล้างกันไปมันก็หาความสงบไม่ได้เลยนั่นเนี่ยทีนี้พระศาสดาทรงสอนไว้ว่าเมื่อเราเจริญพรมวิหารสามข้อเบื้องต้นนั้นเต็มที่แล้ว มันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ให้ได้เพราะมันเหลือวิสัยบางทีมันก็เป็นแต่ด้วยกรรมเวรของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนน่นมันตามมาสนองเอาอยางนี้ไม่มีใครที่จะช่วยได้เมื่อเป็นเช่นนี้กษัตริย์ดากรงสอนให้นึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายนะมีกรรมเป็นของตน ผู้ใดทำกรรมอะไรมาก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปต้านทานแห่งอำนาจแห่งกรรมที่เขาทำมาแต่าชาติก่อนได้คิดได้อย่างนี้นก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปดีใจไม่ไม่เสียใจในเมื่อเห็นผู้อื่นถึงความวิบัติลง แล้วก็ไม่ดีใจเกินไปจนเกิดเป็นกิเลสในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดบได้ดีก็วางใจเป็นกลางลงไปการแสดงความยินดีด้วยนั้นกับอุบเบกขานีมันก็เป็นคนละอย่างกันการแสดงความยินดี หมายเพาะว่าเราแสดงออกทางวาจาแต่ใจนู้นน่ะหากเป็นอุเบกขาอยู่แต่วาจาหัวขอแสดงความยินดีด้วยอย่างนี้นะแต่ภ า, ายในจิตใจเขาเป็นอุเบกขาเช่นอย่างว่าพูดถึงความวิบัติมาถึงเข้าเราไปเห็นเข้าอย่างนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย ที่ถึงความมิบัตรแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้การกล่าววาจาออกไปอย่างนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าภายในจิตใจนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงอะไปเกิดความเสียใจเศร้าโศกไปกับคนผู้ถึงความมิบัินั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพียงจะกล่าวออกมาทางวาจาเฉยๆแต่ภายในจิตใจนั้นมันเป็นกลางอยู่ เป็นอุเบกขาอยู่อันนี้แหละคำว่าการเจริญพรหมวิหารสีน่นะี่ให้พึ่งพากันเข้าใจคุณธรรมสี่ประการนี้เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากก็าตามอายุพอปานกลางก็าตามหรือว่าอยู่ในวัยหนุ่ม วัยสาวหรือวัยเด็กวัยเล็กอะไรเขาตามเนี่ยเราจะต้องฝึกขัดเจริญพรมวิหารสี่นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจทุกคนเลยอย่าไปเข้าใจว่าบางคนก็จะไปเห็นตำหรับตำลาว่าพรมวิหารสี่อย่างนี้เนะี่ยเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ ท่านอธิบายไว้ในหน้าวโกวะนั่นแล้วก็ไปเข้าใจไปอย่างหนึ่งเช่นเข้าใจว่านู่นท่านผู้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีเกียรติมียศรุ่นซึ่งค่อยมีผมบริหารสีน่นี่ไอเ้าผู้น้อยนี่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ เข้าใจอย่างนั้นได้ชื่อว่าเป็นขเนข้าใจเป็นการเข้าใจเป็นไม่รอบกอกเข้าใจเป็นบางบางส่วนเป็นเอกเทศเท่านั้นเองฮะจิงโย <c oughs> ผู้เป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคนนะ่ะก็ต้องมีพรมิหารสีนี่แหละเป็นเครื่องดำเนิน เป็นเครื่องบริหารหมู่คณะแต่ว่าก่อนที่บุคคลผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมู่นั่นน่นะก็ต้องเป็นผู้เจริญพรมิหารสี่ไปตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยพี่แสดงอาการกายวาจาใจออกมาให้คนหมู่มากได้เห็นว่า ท่านผู้นี้ท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงนะมีความกรุณาเอนโดช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้ถึงซึ่งความบิบัติต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็เป็นผู้ไม่อิจฉานิสยาเมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีท่านก็แสดงมุทิตาจิตด้วยแล้วก็เมื่อเวลาที่ได้รับความกระทบกระทั่งได้รับความนินทาว่าร้ายต่างๆ ท่านก็ไม่แสดงอาการหวั่นไหวมีใจเป็นอุเบกขาอยู่ได้หรือว่าเมื่อผู้ใกล้ชิดหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกันถึงความวิตกัติลงไปไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจเกินขอบเขตมีใจหนักแน่นมีใจเป็นกลางอยู่ได้เมื่อคนทั้งหลายได้ เห็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นเลยว่าเห็นวิหาพรมบวิหารธรรมมีอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วนั่นแหละถึงได้รับความยกย่องนับถือจากคนหมู่มากเขาก็ยอมรับรองยกยอให้เป็นหัวหน้าหมู่ได้การที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเหนือ อันแต่งตั้งมานั้นน่ะผู้มูผู้มีผู้บังคับบัญชาหนวอเหนือหากว่าเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจดังกล่าวมานั้นก็จะต้องเลือกแต่งตั้งบุคคลผู้ที่บำเพ็ญพรหมวิหารสี่ให้เกิดมีขึ้นในตนดังกล่าวมานั้นเน่เป็น นายคนเป็นผู้บังคับบัญชาหมูอ่อย่างนี้แหละเม้่ในทางวัตวาศาสนาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกั น, นผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรขึ้นไปนู่น จะต้องเป็นพระที่บำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์ให้แก่กล้าขึ้นในตนเสียก่อนแสดงออกทางกายทางวาจาให้ชนหมู่มากได้รู้ได้เห็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นจนถึงกับแสดงความเคารพนับถือจากพระภิกษุสามเณรหรือทายกทายิกาเป็นจำนวนมาก พร้อมด้วยมีความรู้ความฉลาดในความสามารถในการบริหารหมู่คณะให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนได้เช่นนี้ก็ถึงจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต่างๆโดยลำดับดังกล่าวมาอันนี้นะว่าเป็นคุณธรรมประจำโลกของมนุษย์เราจริงๆไง มนุษย์เหล่านี้จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการนี้อยู่ในใจของคนหมู่มากแต่ถ้าหากว่าจะไปมีตั้งแต่ผู้เป็นหัวหน้าผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชามาอย่างนี้ผู้เดียวก็ไม่ได้อีกไอผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีพรหมวิหารเหมือนกัน นอกจากคง ม, มีปรมวิหารธรรมสี่ประการดังกล่าวมานั่นแล้วก็ยังมีกตัญญูกัตเวทิตาธรรมประกอบอีกด้วยอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้น้อยผู้น้อยนี้เมื่อเวลาตนที่ยังมีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่แล้วก็มีวัยยังอยู่ในวัยหนุ่ม อยู่อย่างนี้นะมันก็ต้องได้พึ่งพิงอาศัยท่านผู้มี ว, วัยวุฒิคือผู้เจริญด้วยวัยพูกง่ายๆว่าผู้ที่ท่านเกิดก่อนเรามานานปีได้มีคุณธรรมมีวิหารธรรมสูงมีคุณงามความดีสติปัญญาสูงกลัวตนนะตนก็ต้อง ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้เช่นนั้นยอมเป็นลูกศิษย์ลูกหายอมปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของท่านเมื่อคนอผู้อยู่ในวัยหนุ่มหากว่าแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้อยู่ในวัยอันสูงมีคุณธรรมอันดีท่านเห็นผู้น้อย แสดงคองเคารพร่มร้อมอย่างนั้นท่านก็มีเมตตาสงสารท่านก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ท่านก็แนะนาให้กระทำคุณงามความดีตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงอย่างนี้แหละผู้น้อยเมื่อได้รับถ่ายทอดความรู้ความดีต่างๆจากผู้ใหญ่แล้วก็คิดเห็นพระคุณของท่าน ที่ท่านได้อุปการะตนมาแล้วก็คิดต่อบุญแทนคุณท่านด้วยการทำตนให้ดีด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้เต็มความสามารถสิ่งใดควรละเพียรละให้เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจส่วนใดควรบาเพ็ญให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นก็เพียรพยายามเจริญให้แก่กล้าขึ้น โดยเฉพาะเรื่องพอโมวิหารซีกับขันติความอดทนนี่นเป็นคุณธรรมประจำใจแท้ทุกคนต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจผู้มีความอดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาที่เคยพูดมาบ่อยๆก็คงเข้าใจกันย่อมเป็นที่ เคารพรักใคร่นับถือไม่ว่าแต่มนุษย์ตลอดถึงเทวดาตลอดถึงพูดผีปีชาติต่างๆเขาก็เคารพนับถือไม่บรบกวนคนมีเมตตากรุณาสูงคนมีความอดกั้นทนทานต่อความชั่วร้ายทั้งหลายนะนั่นเดียวว่าเป็นคนใจดี เป็นคนใจเยือกเย็นเป็นคนใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและนินทา ง, ง่ายๆนี่นะคนผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่แหละจึงได้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปคนผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูของตนมาแต่ก่อนถ้าตนมีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจนะเขาก็ให้อาภัยไปเลย เขาก็นิยมนับถือเขาก็ไม่ไม่ทำตนเป็นศัตรูต่อไปอีกนั่นแหละผู้ที่มีคุณธรรมดังกล่ามานี่อยู่ในใจแล้วอยู่ที่ไหนก็ปราศจากเวรและภัยไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่อย่างอิสระเสรีไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาเบียดเบียนตนทำร้ายตน นี่นะคุณธรรมดังกล่าวมานี้นะเป็นอุปการะแก่ศีสลสมาธิปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้พึ่งเข้าใจอันนี้นะพ่อเป็นคุณธรรมที่เราทุกคนจะพึ่งปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตน โดยแท้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานี่ mm. ก็จะไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเลย mm. เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่า mm. เมื่อขาดเมตตาแล้ว mm. ก็เป็นคนใจดำ mm. ก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละแล้วก็ชอบเป็นคนโกรธมาก อดทดต่อความโกรธไม่ไว้เพราะไม่มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจเมื่อมีความโกรธจัดอยู่ในใจนั้นมันก็ไปเที่ยวกระทบกระทั่งทะเลาะ ก, กับผู้อื่นเรื่อยไปทีนี้คนทั้งหลายเขาก็ไม่นยมนับถือแหละเขาไม่ได้ยกให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะมีอายุมากเขาผู้น้อยก็ไม่เข้ารบนับถือเนี่ยต้องคิดตัวให้ดี เมื่อขาดการุณาความช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นก็เหมือนกันนะเมื่อเวลาตนถึงความวิบัติลงนี่ก็ไม่มีใครเหลียวเลอย่างนั้นเนะี่ยเมื่อขาดมุทิตาธรรมเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วไม่แสดงมุทิตาจิตคิดอิจฉาลิสิยาอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่จะยกยอตนขึ้นให้มีเกียรติมียศชื่อเสียง เพราะว่าคนไปชอบอิจฉาลรืยาบคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นดีด้วยเหมือนกันนะคนผู้ดีทั้งหลายเขาไม่ยินดีหรอกถ้ามาขาดอุบเบกขาเสียอย่างนี้ก็เป็นคนเจ้าทุกข์ เ, เมาแต่เสียใจเศร้าโศกอะไรกับความวิบัติของคนอื่นที่มีความเกี่ยวข้ อ, ของกันเช่นผู้ถ้าเป็น สามีของหญิงอื่นถ้าถ้าฝ่ายภรรยาวิบัติลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นทุกข์หรือตายลงสามีก็เป็นทุกข์เป็นโศกหาอย่างรุนแรงถ้าเป็นภรรยาฝ่ายสามีถึงความวิบัติลงตายลงภรรยาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ถ้าถึงความวิบัติโดยก็การอย่างอื่นๆอย่างนี้ไม่รู้เท่ารู้ทันวางใจอเป็นกลางลงไม่ได้ก็มีแต่ทุกมีแต่โศกอยู่ในใจหาความสบายใจไม่ได้คนขาดอุเบกขาไม่ได้สร้างอุเบกขาทำขึ้นในใจดังนั้นการบําเพ็ญสมาธิภาวนานี่นะก็เราฝึกหัดวางจิตให้เป็นกลาง ต่อความเจริญและความเสื่อมของโลกนี้นั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าใครไม่ฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาไม่ฝึ ก, กจิตของตนให้สงบลงนั่นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฝึกบำเพ็ญอุเบกขาธรรมให้เกิดมีขึ้นในตนก็จะได้ประสบความทุกข์ความยากความลำบากนางกล่าวมานั่นแหละไม่ถึงกับ ว, ว่าเรื่องมรรคเรื่องผลและ แม้ความสุขที่เป็นอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้พบเลยให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าพากันเกียรติคลาสนั่งสมาธิภาวนาต้องทำถ้าไม่ทำแล้วตนก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแหละจิตใจก็หล่อแหละเลวไหลใจก็ไม่ตั้งมัน่น ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใช่อย่างเดียวแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยคนเราเกิดมาในโลกนี้นะแม้จะมีเงินตั้งหลายล้านหลายโกขก็หาความสุขไม่ได้ถ้าใจนี่มันเปราะแหละเลียวไหลแล้วปราศจากพรมวีหารธรรมปราศจากอันติธรรมอแล้วถ้าจะมาบําเพ็ญสมาธิภาวนาก็ทําใจให้สงบลงไปไม่ได้เลย ดังนั้นแะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเพิ่งพากันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนจะได้เป็นอุปกรณ์แก่สมาธิและปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระศ า, าสดาทรงแสดงไว้คืออริยสัจสี่ดังที่เคยแสดงมาอยู่บ่อยๆนั่ น, นยจุดมุ่งหมาย การฝึกฝนอารมณ์จิตใจก็เพื่อให้ได้บรรลุถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวมา